ที่ชื่อว่าผู้เป็นไข้คือผู้ขาดเนยใสย่อมไม่มีความพาสุขที่ชื่อว่าเนยใสได้แก่เนยใสที่เกิดจากโคเนยใสจากแพะเนยใสจากกระบือหรือเนยใสของสัตว์ที่มีเนื้อเป็นกัปปิยะพิกษณีไม่เป็นไข้ขอเพื่อประโยชน์ตนต้องอาบัตทุกกดในขณะที่ขอรับประเคนมาด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกดเพราะได้มา เธอฉันต้องอบัตปรปฏิเทศนิยะทุกๆคำกลืน